ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธรชนทั้งหลายการบรรยายประสูตร์ในวันนี้คงจะพูดเรื่องชาดกสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในบัรก่อนอันที่จริงชาดกก็เป็นการสะทอนธรรมะจากการกระทาของบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในเรื่องเหล่านั้น มีการพูดการกระทำปรากฏออกมาเป็นเรื่องของความดีความชั่วแล้วก็มีผลออกมาเป็นความสุขความทุกข์อันจริงแล้วเป็นกระบวนการของธรรมะที่เรียกว่าครบวงจรคือมีเจตนามีการกระทำมีผู้กระทำมีอาการที่กระทำแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแต่ผลนั้นท่านสอนย้อน ไปสู่อนาคตคือสืบเนื่องไปจนถึงอนาคตเป็นคําสอนที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่คนส่วนมากมักจะติดอยู่ในรูปของนิทานหรือบางทีก็ไม่เชื่อไปเลยคือถือว่าเป็นนิทานต่างๆที่เป็นการสะท้อนธรรมซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจ เป็นกลุ่มชาดกในทัศกรณิบาตหมายความว่าเรื่องชักจะยาวคาถาชักจะมากขึ้นอย่างที่เราเคยพูดเรื่องมานิบาติฉาดหมายความว่าแต่และเรื่องเนี่ยจะมีคําที่เป็นสุภาษิตมากๆ ม, มากสุดก็คือพันคาถาในแก่เรื่องของพระเวสสันดรและเรื่องที่ ท่านตั้งชื่อเนี่ยเช่ทนทัศกาลนิบาตก็หมายความมาในเรื่องแต่และเรื่องมีคาถาอยู่ส0บทท่านก็เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปจากจำนวนน้อยไปหาจำนวนมากผู่าเอกนิบัติฉดก็แสดงว่าเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมีคำที่เป็นคาถาอยู่คำได้เป็นสุภาษิตอยู่เพียงบทเดียวเรื่องจะไม่วิจิตพิสดารคือจะนามาเล่าเพียงในยะเดียว แล้วต้งก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแนวที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือจับเรื่องใดก็ตามนะครับจะเน้นไปในเรื่องสภาพจิตวันก่อนเราพูดถึงอุตยาชฉดกเป็นการกล่าวถึงประชาประาชินีที่มีการมรคะมันลดละจางไปจนเยอะเพราะขนาดอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่มี ความรู้สึกทางเพศต่อกันซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็อยู่กันนานๆแล้วจนถึงตัวองค์พระราชาเองเสด็จออกพนวดมันเป็นเพียนจนบรรลุจันทรประมาะเรื่องนี้ก็มีลยยักษณะเช่นกันแต่เรียกว่าปานิยาติชาดกออที่จริง ถ้าแปลแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรท่อไหลนะฮะแปลว่าชาดกที่ว่าด้วยน้ําที่คนดื่มการตั้งชื่อเป็นการตั้งชื่อของพระอาจารย์ที่หลังส่วนใหญ่แล้วท่านจะเอาเรื่องแรกเนี่ยะมาเป็นชื่อแต่ไม่ใช่ข้อยติเสมอไปบางทีเอาเรื่องสุดท้ายมาเป็นชื่อแต่ในที่นี้ก็เอาเรื่องแรกเนี่ยมาเป็นชื่อ มีใจความโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันมีกุลบุตรชุดหนึ่งนะฮะจำนวนมากทันบอกก็ถึงห้าร้อยไดมาฟังธรรมในสานักพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาเลิ่มใสศรัทธาค่อนข้างแรงนะอาจจะถูกดึงลากกันไปก็ได้ในสุดก็ออกปวดหมด เรบวชแล้วสภาพของชีวิตนักบวชเนี่ยมันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะแล้วตัวเองก็ยังหนุ่มเพราะจิตใจก็จะหมกพุ้นคุค้นคิดหนักเป็นเรื่องของคนหนุ่มๆก็คือกลางวม่จุกพระเจ้าทรงตรวจสอบจิตใจของท่านเหล่านั้นด้วยประหยัดก็รู้เห็นถืว่า ตอนนั้นหนักไปในทางกรรมมิตกเป็นเรื่องของคนหนุ่มแต่แม้คนตั้งห้าร้อยนะฮะจะพูดอะไรตรงๆเพื่อนก็แย่เลยก็ในสูตรรับสั่งให้พระอนนประชุมพระสงฆ์ประชุมรวมหมดนะฮะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ประชุมเฉพาะหนะ้าร้อยนั้นแล้วก็ส่งประรพบธรรมะ แต่ชี้โทษของการตรึกนึกหรือการเหนียวนึกด้วยอำนาจของอกุศลตัวนี้เราพบบ่อยนะฮะเพราะมิจฉาสังกปะก็มีอยู่สา ม, สามเรื่องเท่านั้นเองเรื่องความคิดผิดด้วยความดั่งรีผิดมันก็มีอยู่สามกระแสรุนแรงแต่เชื่อมโยงกับโรคหดหลงทั้งหมดหรือความตรึกนึกด้วยอำนาจของกาบิตุก ตึงนึกเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอํานาจของความใคร่ก็หมายความวม่ามีปัจจัยสองประการภายในใจเรานั้นมีกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่จงเกิดกําหนดวัตถุข้างนอกจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามด้วยอํานาจของความใคร่ความตึกนึกก็เกิดขึ้นแต่ถ้ามีฝ่ายเดียวจะไม่มีการตึกตึงคติไทยเรามีคมอยู่คำหนึ่งถ้าเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ด่างในคมนะฮะคิดเป็นธรรมะและคมมาก เมายความลักษณะอารมณ์ข้างนอกจะยั่วยวนยั่วยุยั่วยาหยาอะไรก็ช่างใจเราไม่รับเสยียอย่างก็จบก็หยุดยตรงตัวนั้นแต่การที่ใจจะรับมันก็ใจก็ต้องมีเชื้อของความรักความชังในสิ่งเดียดนั้นพอกลายเป็นการตบมืออีกข้างหนึ่งพอตบจนสองข้างมันก็มีเสียงอยีงหนึ่งก็คือพยาบาทวิตุ ความตึกนึกเดิมนาจของความอาคติความปัญญาปัดถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วนี่มันสืบเนื่องจากความความรักมาก่อนเมื่อใครไปร่วงเกินสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะโกรธเรายุยแย่งสิ่งที่เรารักเราจะโกรธที่ทรงสใช้คำว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธก็เกิดมาจากความรัก หรือความโกรธมนเกิดจากความโกรธก็แล้วแต่เป็นกระบวนการเป็นปฏิกิริยาของจิตธรรมชาติของมันในก็มีความรักที่เกิดจากความรักก็มีนะฮะเช่นคนนี้เป็นเพื่อนของลูกเราเราก็รักเพื่อนของลูกเราก็แสดงเป็นความรักที่เกิดจากความรักที่จริงที่เรารักเด็กคนนี้ไม่ใช่รักเด็กตัวไปายดีมันเป็นเพื่อนของลูกเราก็รักแต่จริงบางทีในความรักมันเกิดจากความโกรธ คนคนนี้ที่จริงเราก็ไม่สนิทสนมคุ้นเคยอะไรแต่พอดีมันเป็นศัตรูกับศัตรูเราเราก็รู้สึกเป็นพวกเราคือพวกเดียวกันและในสุดก็จับมือกันเป็นความรักที่เกิดมาจากความโกรธหมายความมาที่จริงแล้วเนี่ยราโหรดคนที่เป็นศัตรูเราพอดีคนนี้ก็โกรธคนที่เป็นศัตรูเราเลยเราก็รู้สึกเป็นพวกความโกรธมันเกิดไปจากความ ความรักนะฮะหมายความว่าเรารักคนคนนี้แล้วก็มีใครคนใดคนหนึ่งมาล่วงเกินคนที่เรารักเราเกิดความโกรธคนที่ล่วงเกินคนซึ่งเรารักไปจักยุ่งยุ่งหมดสมควรบางทีก็เป็นความโกรธที่เกิดมาจากความรักหมายความว่ า, าคนคนนี้ไม่ใช่คือความโกรธที่เกิดจากความโกรธ มายความว่าคนคนนี้เราเราที่จริงเราไม่รู้จักเขาแต่พอดีเขาเป็นพวกกับคนที่เป็นศัตรูของเราเราก็เลยโกรธเขาด้วยเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธถ้าท่านหลายลองสังเกตเราความรู้สึกอย่างนี้ที่จริงมาสืบเนื่องมาจากความรักถ้าเราไม่รักไออาการภายในจิตเราก็จะไม่เป็นโกรธหรอก ตรนี้ดึงเชื่อมถึงกันอาจจะรักกอ า, อาจจะเกิดเป็นความโกรธเพราะความรักหรือเกิดความโกรธเพราะความโกรธมันเก็บตะกอนในภายในใจเราก็เอามาคิดมากลายเป็นความอาฆาตยาบัิแล้วก็วิงสาวิตกเป็นความนึกคิดเดือมหน้าของความหลงความเบียดเบียนต้องการดูความพิบัติเดือดร้อนนึกแช่งชักกะดูคนอื่นอะไรต่อไรเนี่ย คือบางทีเราดูแล้วก็น่ากลัวว่คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมคิดได้อย่างนี้ทำไมทำได้อย่างนี้แต่นั่นก็คือใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะมันก็เหมือนกับภาพของคนที่อยู่ในที่มืดเนี่ยจะทาอะไรทำอย่างนี้ทำไมทาอย่างนี้เพราะแกไม่เห็นน่ะแกแกมองไม่เห็นถ้าแกมองเห็นแกไม่สะเปะสะปะอย่างนั้นครับ เราคนอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องมองเขาด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาเพราะไม่อยางนั้นก็หาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ว่านั่นคือสภาพจิตคนเราเวลาขาดเหตุผลมันก็คิดอะไรเสเลไ ป, ปะไปด้ยแต่ความคิดตรงนี้ก็เป็นความคิดเดิมอน่ากล้ามต่ตุก อย่างที่เคยบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าเองก็หาตัวนี้มานานนะฮะปัสสัรุกข์สั่งว่าความดํางดิบนี่เองน่ะเป็นกามของคนคือถ้าไม่ดํางดิบมันก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่คิดไม่มีอะไรเราคิดเัาเองเราคิดปรุงปรุงคิดนะเจ้าคุณตุเดือสังกราตรงใช้คําตัวนี้คมปรุงคิดคิดปรุงะกลับไปกลับมานะฮะปรุงคิดคิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงไปเรื่อยเรือยเราปรุงมาเราเรื่อยเรื่อยที่ปรุงตัวเองล้วนเลย นะอย่างนานมาแล้วนะฮะท่าน ค, คงเคยได้ยินข่าวหรือถึกแถวฝั่งทนคือหนุ่มบิสลามคนหนึ่งไปฆ่าผู้ชายกับผู้หญิงตายตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วถามวัาทาไมฆ่าคือแกหลงรักผู้หญิงคนนะั้นนักข่าวถามไปถามม า, าคุณรู้จักผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้จักผู้หญิงรู้หรือเปล่าคุณรักไม่รู้ แล้วก็ไปเที่ยวกาแฟนเบเานะแกหึงเนี่หึงแกฆ่าตายเฉยๆสองคนแต่ที่เราน่าคิดมา ก, กคือคําตอบของแกเมื่อข่าวถามเอ้คุณไปฆ่าก็ได้ยังไงคุณไม่รู้จักมักจี่อะไรแล้วไม่กลัวบาปเลยฆ่าคนนี้ได้ทั้งสองคนเฮ้ยบาปอะไรผงฆ่าไก่วันนึงทั้งสองพันนั่นคือลักษณะสะสมเดี๋ยมาให้ลักษณะสะสมจิตสันดาลด้วยฆ่าไก่วันนึงทั้งสองพันฆ่าคนสองคนมันจะอะไรนักหนา มันคิดจากคนฆ่าไก่ใจที่สะสมบาปในที่สุดจะมากไปด้วยบาปเขาคิดกันเขาได้แต่เราคิดไม่ได้นะเราคิดอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาคิดอย่างนั้นเขาคิดได้นั่นคือใจที่มีการปรุงคิดแล้วก็คิดปรุงแต่ว่ามีเชื้อให้ปรุงให้คิดความคิดแต่รุนแรงก็คือคิดโดยนึกนึกไม่ออกฮะนึกไม่ออกว่าคิดได้ยังไงแต่ถ้าเราดูสภาพติดแล้วเขาคิดได้นะ คิดได้ก็คิดคิดได้แล้วก็ทำได้ด้วยพระลักษณะเหล่านี้จึงท่งแสดงว่าดูกนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดจากความดำรินี้เองต่อไปเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกแล้วนั่นคือพระพุทธตรรมระที่แสดงให้เห็นว่าตลอดการยาวนานที่ต้องมุนวนียนโดยในสงสารเราปัญหาไอ้ต้นตอมันไม่เจอ ต้นตอไปเจอก็ทำลายตัวต้นตอในที่สุดพระองค์ก็รอดรอดจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่ในโลกนี้เองโดยไม่เกี่ยวเกาะไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์ของโลกแต่การแสดงในแนวรู้ใจคนเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันน่นะฮะจะทำให้คนหวาดกลัวเพราะรู้จ้าจะไม่เคยแสดงตรงตรง จะแสดงเป็นภาพ ร, มรวมๆเพื่อให้คนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพวี้คิดตัวเองเพราะถ้าเจาะจงภิกษุเธอทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไหวคนไปใหญ่แหละแล้วค น, นตั้งเยอะนะฮะคนตั้งเยอะเลยพระรับสั่งว่าการตรึกนึกหือการเหนี่ยวนึกเดืองอำนาจของกาวิตกนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะพยาบาทวิตกสรริาวิตกก็เหมือนแก่นนะ เพียงแต่ว่าตรงนี้เน้นที่กาไม่ตกเท่านั้นพอพวกนี้เขาจะสืบเนื่องถึงกันนึกตอนไหนก่อนก็ได้นะฮะนึกถึงไหนก่อนก็ได้เหมือนจับงูนะฮะจับที่หางจับตรงกลางจับที่หัวก็จับงูเหมืนกันนะหรือจับเชือกก็จะมีลักษณะอย่างนั้นกิเลสมันมันมันเป็นก็มันอย่างนั้นจับตรงไหนก็ได้นะฮะพูดตรงไหนก่อนก็ได้ถ้าทําลายก็ทําลายหมดถ้าเกิดก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาต่อเนื่องกัน แล้วเราจะเห็นเป็นกระบวนการนะจะจะเป็นกระบวนการไหลไปเยอะเลยเพิ่มขึ้นแล้วก็เสริมขึ้นมากิเลสประเภทอือนยังไม่เกิดมันเกิดที่เกิดแล้วก็เพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นใหม่ประเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นต่อไปแล้วก็กลายเป็นความรุนแรงการทำลายล่างกันจุดเล็กเล็กมันก็จุดนิดเดียวนะฮะจุดนิดเดียวมันก็ไฟไหมเหมือนกันน้ำหลากอะไรแต่ดที่จริเม่อเริ่มจาจุดเล็กนิดเดียว ครับสั่งว่าบัณฑิตในสมัยก่อนไม่มีพระพุทธเจ้าสอนธรรมไม่มีธรรมะหรือการเผยแผ่กันอยู่ไม่มีสถาบันสงฆ์นะพระพฤติปฏิบัติได้เป็นตัวอย่างแล้วก็สั่งสอนธรรมะแต่คนเหล่านั้นท่านคิดกับท่านได้ท่านสำรวมระวังได้ท่านหยุดตัวเองได้แล้วก็บรรลุ ป, ปัจเจกปุธิญาตได้ ปเจกโพโทยานั้นคือพระปัเจกพุทธเจ้านะฮะเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งปเจกะก็คือรู้เฉพาะตนแต่ไม่ประดิษฐานศาสนาแต่ไม่ถึงก็ไม่สอนนะฮะตั้งกตสอนบ้างนะฮะตั้งสอนบ้างเพียงแต่ว่าเรื่องไม่ค่อยยาวยาวสั้นๆ้น นะยังคาถาที่เรามานุโมธนาให้ยถาญาติโยมทุกวันเนี่ยอิจิตังปจิตังตุมหังกิปเมวัสมิเตตุสเปบุเรนุสังกปาจันโทปนารโสยถาม่ช่วยติระโสยถานั้นเป็นของพระปัิเจกาพพุทธเจ้านะฮะของพระปัิเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาคนอะไรท่านท่านไหว้ท่านทําบุญตักบาทอะไรแต่ท่านก็ให้คาถาสองบรรทัดได้นะฮะไม่ต้องยถามากอะไรเดี๋ยวนี้ยถาต้งเยอะเลยสต่มื่ก่อนก็ว่าสบรรทัดเท่านั้นเอง แล้วที่หน้าสังเกตก็คือกรวดน้ําก็สองมัทัดนะครกรวดน้ําก็สองมันทัดสมัยกวดสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอีนางโวยาตินางโคนตุสุกิตาโหตุยาตโยเท่านั้นเองฮนะกรวดน้ำก็แค่สองมันทัดให้พอก็สองมรทัดนะไม่มากแต่ของเราว่ามากมากก็ไม่ค่อยขลังนะของท่านสองรทัดท่านก็ขลัง เ, เกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้า หมายความว่าถ้ายุคใดที่มีรูปตศาสนาอยู่แล้วนะฮะเพราะการจะสัธรูธรรมะเนี่ยคื อ, อศัตรูอริยสัจหมายความว่าอริยสัจในสมัยนั้นไม่มีการเรียนรู้กันไม่มีการคิดไม่มีการเรียนรู้ในเรื่องของอริยสัจแล้วท่านรูปใดรูปหนึ่งท่านก็เกิดรู้ขึ้นมาตรงนี้ท่านเรียกว่าปัจเอกพุทธเจ้า ใหญ่นะรองลงมาจากพระพุทธเจ้าสูงกว่าพระกษัตริย์โลกนะฮะสูงกว่าพระกษกัตริย์กแต่ว่าในพุทธกาลมันไม่มีแต่นั้นเองมียุคที่ว่างว่างพุทธสมัยว่างพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธกาลนะฮะว่างพุทธศาสนาอย่างยุคปัจจุบั น, นเนี่ยรัตเจ้าเกิดไม่ได้พระถ้าเกิดก็เป็นพระอรหันตานั้นเป็นรัตเจกับพุทธเจ้าไม่ได้เนื่องจากการท่านจะต้องอ่าน จะต้องฟังแล้วจะต้องปฏิบัติตามเรื่องที่ได้ฟังได้อ่านมาก็แสดงว่าเป็นสาวกเก่าพุทธะคือรู้เพราะการฟังจากคนอื่นมาก่อนไม่ใช่รู้โดยความคิดของตัวเองนี่ท่านเรียกว่าเป็นปัเจกับพุทธเจ้า ป, ปเจกับพุทธเจ้ารูปแรกเนี่ยมีเพื่อนสหายสองคนไปทํานา ไ, ไม่ใช่ไปตัดไม้ท่นในป่า แเด็กออน้ําไปคนแล้วก็ออมพอเหนื่อยขึ้นมาก็ดื่มนะ้ำทีนี้คนหนึ่งเนี่ยมันเกิดเสียดายน้ําตัวเองนะฮะแอบเอาน้ําตัวเองไปซ่อนเด็วก็ดื่มของเพื่อนคนอื่นนะกระออึ้นอื่นพอตกเย็นขึ้นมาไอ้ น, นี่ลักษณะเก่งคืออย่างนีึกว่าเออความคิดตนนี้เก่งคือทุกเย็นเนี่ยคนเหล่านี้จะตรวจสอบความรับผึกตัวเอง วันนี้ตั้งแต่เช้ามาจะถึงจะถึงเย็นก่อนจะนอนเนี่ยเราทำความชั่วความผิดอะไรบ้างไหมทำชั่วความผิดก็ตั้งใจสำรวมระวังอย่างที่เคยเล่านะฮะมีผู้ใหญ่ท่านงท่านฝึกตัวท่านเองเรื่องโกรธสมัยเป็นเด็กๆนะเห็นเ อ, นอนก้าทีเงนะเวลาโกรธเนี่ยท่านเอาเม็ดมะขามเนี่ยใส่กระ บ, บอกโกรธครั้งเนเอาเม็ดมะขามใส่กระ บ, บอกไปแล้วถึงเดือนเนี่ยท่านมานั่งนับ บูทั้งเยอะเลยแล้วพยายามลดพยายามลดพยายามผมของโปรดฝึกตัวเองนะฮะลดแบบลดจํานวนเม็ดมะขามลงไปแล้วในสุดบางเดือนเนี่ยท่านท่า น, านไม่มีเมล็ดมะขามในก็บอกก็แสดงว่าเดือนนั้นทั้งเดือนเนี่ยท่านไม่โกรธเลยนั่นคือฝึกโยมจะลองว่างก็ได้ไม่ต้องหาเม็ดมะขามเราเยอะไปเออะไรก็ได้ทำเป็นคะนแนนนะคะแนนตัวเองไม้จิ้วอะไรแต่ไหนมีเยอะอาใส่ไว้ก็ <c oughs> ที่จริงดีนะฮะใส่ไว้ใส่ไว้ที่สิ เดือนหนึ่งก็มานับทีหนึงแต่ท่านท่านไม่ชะเดือนอ่ะท่านนับแต่ละวันหน่อยท่านดูแบบอะไรแบบอนุสติแบบศีลอนุสติแบบจากานแบบแบบสีลานุสติดูศีนกับตัวเองเห็นวเอเราเนี่ยมันวันเนี้ยขโมยน้ำของเพื่อนดื่มไอขโมยอย่างเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาขาโมยน้ําดื่มได้ต่อไปมันก็ขโมยเรื่อยไป การกระทําอย่างนี้จะน่วงเหนี่ยวตัวเองไปสู่นรกอันนี้คือประเด็นสําคัญนะฮะหมายความว่าท่านมองโทษบาปที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นไปอยู่ที่นรกแล้วเกิดกลัวภัยในนรกมันก็หนีนรกแนววิปัสสนาก็จะมีลักนณะอย่างนั้นท่านนี่เาพระยตุปทานญาณนะฮะหมายความมองเห็นสิ่งนั้นเป็นภัยแล้วก็เกิดความกลัวเป็นมุนจิตุกรรมมยตายานคือต้องการจะหนีให้พ้น คล้ายกับเราเห็นงูปั๊บเนี่ยเราจะต้องถอยละต้องถอยเพื่อรู้จังหวะไอ้ดีๆนะฮะวิ่งหนีได้ก็วิ่งหนีเลยแต่ว่าครั้งแรกก็ต้องระมัดระวังไงว้กองก็ถอยเทนนิดเทือนหอยถึงจุดหนึ่งเราต้องวิ่งหนีให้พ้นเพราะงั้นการมองเห็นกิเลสต้องมองเห็นมันทั้งระบบเพราะนี่มันซึมเนื่องมาจากตรงนี้นรกเนี่ยที่จริงมันมาจากกิเลสกิเลสมันก็เป็นเหตุให้ขโมยน้ําดืม่ม จากโมลยน้ําหรือมันก็มวยรายได้ไปเรื่อยๆหรือเมื่อกมลยได้เรื่อยแสดงกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นหนุนแรงขึ้นการแผดเผาของความชั่วนั้นไม่ได้แผดเผาเฉพาะชาตินี้แต่จะแผดเผาในนรกท่านเนีย้จะหน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกจะดึงนะจะดึงจะน่วงจะเหนี่ยวไปสู่นรกอะไรดึงคือบาปบาปที่เกิดขึ้นมาจากเจตนารักมันรักน้ํานะแต่มันไม่อยู่ตรงนั้ น, นต่อไป ในสุดก็มาพิจารณาและสลดใจตัวเองก็ยืนพิจารณาสังขารยกติดขึ้นสู่วิปัสสนานะอย่าลืมว่าการบรรลุมรรคผลนั้นไม่ว่าจะของพระพุทธเจ้าของปเจรพุทธเจ้าของพระหันเน่ยทุกทุกระดับนะฮะต้องเกิดจากวิปัสสนาเป็นการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายถึงของไม่เชื่องเป็นทุกเป็นอนัตตา ก็คนมีวาสนาบารมีนะกิดได้ขนาดนี้ก็ไม่เบาอ่ะก็บรรลุปัจเจกโพธนะิญาณแล้วเนี่ยต้องยืนหนึ่ ง, งน้นเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ท่านขาโมยน้ําตัดไม้เสร็จก็ออกมาก็ชวนกลับบ้านไอ้บอกไม่กลับแล้วเธอกลับเองฉันฉันเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกพระปัจเจกพุทธเจ้านะมีผมสั้นเพียงสองมงคุลีไม่เกินมงไม่เกินสองมงคุลีนะฮะ แล้วก็นุ่งข่มผ้าย้อมใยน้ำฝาดคาดเราะโคตเอวสะพายบาด ท, ที่น่าสังเกตก็คือว่าเราไม่ค่อยเจอไอกาสาวะสีมันเป็นยังไงสีผ้ากาสาวะนี่มันเป็นยังไงนะที่วอนที่เราข่มเวล้เนี้นะฮมคงไม่ตรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่จริงสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วสีมันก็ไม่ตรงกัน ก็เป็นการย้อมโดยต้นไม้ทั้งต้นอะไรก็ได้ส่วนใดของต้นไม้ก็ได้วันสีจากแต่ละส่วนของต้นไม้ก็ไม่เหมือนกันเวลาย้อมผ้าสีก็คงไมเหมือนกันแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าชัดมากว่าสีเหมือนกับพลัง่งสีเหมือนกับเหมือนกับคลัง่งแล้วก็ไอจีวรสีเหมือนเมฆเอเมฆนี่ชักงงชักงงนะ แล้วก็บาทในสีเมือนปากอะอะไรเปลือกทับเปลือกปลือกมแมลงทับอีกมแมลงทับก็ดำนะฮะก็ดำแต่สีเมฆนี่สีเมฆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคลั่งแนวก็นึกออกนะะคลั่งก็แสดงว่าสีค่อนค่อนไปทางน้ําตาลนิดๆเนี่ยนะอันนี้ท่านบอกการเสาวะเป็นของพระปฏิกรพุทธเจ้าท่านโหมสีอย่างไงแล้วก็อยู่ที่ภูเขาคันธามา คือไม่ได้อยู่ในปนกับชาวบ้านนะจะอยู่ที่ภูเขาคันธามาเมื่อท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นท่านก็ฐานเพศนะฮะก็เป็ีป่ยนออกปเจ้าของพทธเจ้าแล้วก็กลับไปสู่ภูเขาคันธามาตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากการมองเห็นโทษของอาทินาทานนะฮะลองสังเกตนะฮะอาทินาทานนั้นเนะองเป็นอาทินาทานที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เขากวาขโมยดื่มน้ําของเพื่อนนั่นนะฮะที่จริงถือเป็นวิสาสะอย่างได้เลยคือถือว่าดื่มคุ้นเคยอย่างได้แต่ว่าเจตนานั้นเจตนานไม่สุจริตเพราะน้ำตัวเองก็มีแล้วเอาตัวเองไปซ่อนนะแสดงว่าประพฤติธ ร, รมไม่สุจริตมองเห็นบาปเห็นโทษแม้นน่ากลัวในโทษสักวันเล็กน้อยอย่างที่ทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรดูห ม, มิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะจริงๆทุกอย่างมันสะสม มันเหมือนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทํา้าชนะที่รองรับไปเต็มได้จิตใจก็เหมือนการสะสมบาปไปบ่ ก, ก็แนวสอนลูกเป็นโจนะเราจะเห็นว่าแนวแนวแนวันว้แนแนวสอนลูกเป็นโจมก็เพิ่งไปเรื่อยๆซึงอาจจะทําบาปรุนแรงขึ้นโดยลาดับบาปรุนแรงขึ้นนะฮะแต่ว่าตกนรกลึกเป็นเรื่องแปลกเข้าใจไหมว่าบบาปบาปท่านบอกรุนแรงขึ้นเวลานารกนี่ท่านบอกว่าลึกนะฮะก็ตกลึกลงไปเรื่อยๆ ต่อไปก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในท้องตลาดเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมากับพัญญาปัญญาก็ค่อนข้างสวยงามก็เกิดพอใจชอบใจสึกนึกถึงพัญญาของเพื่อนด้วยอำนาจของความใครแต่เราสังเกตว่าตรงนี้ที่จริงถ้าระดับจิตแล้วนี่มันในกุศลกำหนดที่เคยพูดไว้นะ มันเป็นระดับจิตชั้นที่สี่ึ่งตึงต้งตึงต่งตึงตงต้งประณีตมามามันไม่ผิดศีลนี่ยนะฮะมันไม่ผิดศีลระดับชาวบ้านเนี่ยแต่ศีลพระผิดนะฮะศีลพระผิดท่านไม่ปรับอาจิตีท่านปรับอวัตทุผลมองด้วยความกำหนัดมองด้วยความขัดเคืองท่านปรับอวัตถสัมภะนะฮะแต่ว่าสําหรับชาวบ้านไม่ถือว่าผิดศีลแต่ว่าใจสมองเนี่ยนะ ใจเจ้ามองมันเป็นผิดสีระดับกุศลกัมบดการมองอินุเอกาเนึกอย่างนี้มันไม่ควรกัเราฮิริลึกซึ้งมากนะเห็นว่าประณีตมากเลยฮิริโอต ป, ปะที่พี่อยู่ภายในใจท่านประนีตมากการคิดขนาดนี้มองเห็นโทษติเตียนตัวเองได้ตำหนิตัวเองได้นนไดแล้วก็เกิดสํานวกระวังเราถือว่าฝีมือไม่ใช่ธรรมดานะฮะแล้วถ้าบอ่อยการคิดอย่างเนี้ย มันก็หน่วงเหนียวตัวเองไปสูน่นรกได้ก็ททำให้ตกนรกได้เพราะอะไเพราะใจสศรมองสมองด้วยราคะสมองด้วยโลภะสรมองด้วยโทสะสศมองสมองด้วยโบมหะไม่รู้แหละสศมองด้วยอะไรก็ตามใจผมก็สศรมองสมองก็หน่วงเหนียวไปสูน่นรกได้เช่นเดียวกันในสุดท่านก็เอาตรงเนี้ย ความคิดที่ไม่เหมาะสมเรื่องหน้ากรรมอิโตกได้มาเป็นอารมณ์แล้วก็เจริญวิปัสสนาบรุมัรคผลเป็นรัเบิดเจ้าพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วก็ออกไปสู่ภูเขาคันธรรมสต่อไปอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนพ่อลูกท่านรอดสังเกตนะฮะ ชุดนี้คือศีลข้อการเมสุวิชาจารย์มันสลับสลับสลั บ, ลบข้อเฉยเฉยถ้าเราดูให้ดีแล้วนี่มันมันพูดไปพูดมาไม่เคยเกินศีลห้าหรอกให้เราสังเกตเลยไม่เคยเกินศีลห้าเพราะอย่างที่บอกไว้มันหมดแล้วแหละศีลห้านี่มันหมดแล้วในโลกเนี้ยมันหมดแล้วโลกนี้มันมีรูปกับ น, นามเจอไหมโลกนี้มันมีรูปกับ น, นามหรือว่าสิ่งมีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณ ปานาธิบาตทํากับสิ่งมีวิญญาณอาธินาทานมีวิญญาณก็มีไม่มีวิญญาณก็มีกามสุมิสาจานเป็นสิ่งที่มีวิญญาณมุสาวาตเราโกหกกับสิ่งที่มีวิญญาณตรวเราก็หมดแล้วในโลกเนี้หมดละก็มีสิ่งที่มีวิญญาณคลองไม่มีเบญนยกวิญญาณครองในแง่ควาทราบก็เรียกสังหาริมัทราบภาษสังหาริมัทราบภากฎหมายก็เรียกอย่างนั้นหมดละประชารัฐกลุ่มไม่เบาอนะฮะ เพราะงั้นในแนวปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปติดใจมากราาักษาสีห้าดีก็สบายแล้วสองคนเพราะลูกเดินทางผ่านดงซึ่งมีโจรคอยจับคนอยู่แต่ไม่มีทางผ่านมันจะเป็นต้องไปก็ตกลงว่าพ่อกับลูกก็ตกลงพ่อเนาะสั่งลูกไม่จะลูกสั่งพ่อพ่อสั่งเอ้าเอาเอย่างนี้เอาอย่างนี้ คือโจรพวกนี้มันมันถ้าพ่อกับลูกเดินเนี่ยมันมันมันจะจับพ่อไว้แล้วก็ส่งลูกไปหาค่าถ่ายสิทธ์อาจารย์ก็จับอาจารย์ไว้แล้วก็ส่งลูกสิทธ์ไปหาค่าถ่ายอะไรอะไรเนี้ยลุงกับหลานก็จับจับลุงไว้แล้วหลานไปเรียกค่าถ่ายไปหาค่าถ่ายมาสองคนก็เพื่อจะพ่อก็วางแผนแก้ปัญหานะรเราสองคนอย่าบอกว่าเป็นอะไรกันแกก็อย่าไปคิดว่าชัดข้าเป็นพ่อแล้วแกก็ข่าเองจะไม่คิดว่าแกเป็นลูก แล้วก็อย่าพูดอย่าบอกก็เริ่มโกหกนะ ก, หกันนะฮะโกหกโจนถามเขาบอกไม่รู้จักกันไม่เกี่ยวกันถามคนนี้เป็นพ่อเธอหรือไม่ไม่ใช่ไม่รู้จักไอ้นุ่นก็ไม่รู้จักนะฮะปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็รอดเพราะไม่รู้จะจับใครไม่รู้จะจับใครไว้เป็นตัวประกันพอรอดไปแล้วตัวลูกชายมันเกิดสํานึกกูแหม่มั น, มนไอ้นี่มันเป็นมุสาวาศมันเป็นโกหกในการโกรหกขนาดนี้ ที่จริงจะไม่พูดจะก็ได้นะแจะไปออกในในในรูปการพูดมันก็เลยยุ่งไปหน่อยแต่ก็ไม่แน่นะเล่นกับโจทย์ไม่พูดมันก็ตียวอีกกับพูดยากกันก็เลยแก ก, ก, ก, ก, ก็บอกว่าการการมุสาวาทขนาดนี้จะน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกได้พล้วก็เกิดความสลดใจพิจารณาถึงตัวมุสาวาทน่าน่าสังเกตว่าเอาตัวบาปมาพิจารณา แนวพิจารณนิวรนะฮะแนวพิจารณนิวรนะ์ที่เราเคยเพูดเรื่องอะไรนิวรณาปภาพในสติปัฏฐานนานแล้วนะนนวนะทั้งหมดนั้นให้เาราความชั่วมาคิดนะแล้วก็จะเรียนวิปัสนาท่านก็เจริญวปัสนาบรรลุมรรคผลก็ไปกลับไปไปไปสู่ภูเขากันธมาศเมืกัน อีกคนหนึ่งเป็นนายอำเภอสั่งชาวบ้านให้ฆ่าสัตว์เดยให้ชาวบ้านฆ่าสัตว์อ่าชาวบ้านก็ขอร้องเพื่อจะไม่ทําตามนายอำเภอแต่ว่าตัวเองก็ไปค่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นพิธีดื่มน้ําดื่มน้ำสมเขาก็ต้องลงฆ่าสัตว์เหมือนกันคืนอนายอำเภอไปอนุญาตให้เขาฆ่า ก็กดว่าฆ่าสัตว์ตายเยอะเลยมองก็คิดไปคิดมาเอเรามันก็มีส่วนนะแต่เราไม่อนุญาตแล้เขาฆ่าก็ไม่ฆ่าเราพูดว่าบาปผู้ทำกรรมผู้ใช้นะฮะไอ้ตรงตัวนี้ได้จริงเป็นปานาติบาดด้วยกันนะนะหมายความว่าทำเองหรือใช้บุคคลอื่นทำพวกศีลเนี่ยพวกศีลหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อนะฮะสี่ข้อ สีข้อเนี่ยโดยเฉพาะสามข้อเนี่ยปานาอธินนามุสาทำเองก็บาปใช้คนอื่นทำก็บาปก็คือกันนะก็คือกันมีมีคนโทรมาให้ลูกถามว่าใครโทรมาเอาไม่ต้องการพูดบอกก็บอกว่าแม่ไม่อยู่เนี่ยมุสาวาตเหมือนกันนะฮะมุสาวาตเหมือนกันเรียบร้อยฮะเหมือนกันกบโกหกเองนะ ท่านเรียกว่าสาหัติกะประโยคอนานติกะประโยคสาติกะประโยคคือทำเองอนานติกะประโยคคือใช้คนอื่นทํามีค่าเท่ากันตรงนี้ที่จริงท่านไม่ได้่าเองแต่ท่านก็อนุญาตให้คนอื่นค่าก็นึกนึกาบาปนะฮะน ก, กลัวาบาปขึ้นมากในที่สุดเกิดสลดใจเจริญปัสนาบรนรุมขุ น, นแล้วต่อมา ก็กลับไปที่ภูเขาเหมือนเดิมก็อีกคนหนึ่งก็เป็นนายอำเภอเหมือนกันแต่คนละยุคกันนะฮนะนละนั้นกันมันราษฎรเขามีประเพณีอย่างหนึ่งเมื่อก่อนก็ห้ามปราบราษฎรไม่ดื่มเหล้าแต่มันเกิดประเพณีอย่างหนึ่งเขาเรียกประเพณีนี้ต้องมีเหล้า พอถึงวันนั้นราษฎรนี้จะให้ทำอย่างไงมันประเพณีนี้มันต้องมีเหล้าเอาไม่มีเวล้ามาทำตามประเพณีแล้วกันพอทําไปแล้วเรากฏว่ามันนานๆได้ดื่มนะฮะก็ดื่มกันอุตรุดแล้วก็ตีกันหัวร่างข้างแตกลบตายบาดเจ็บเยอะแยะหมดเลยแกก็มองมองถึงอันตรายเหล่านี้นี่มันสืบเนื่องมาจากการอนุญาตของเราถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ยอันตรายเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น โรกาการอนุญาตของเราก็ทําให้คนหล่านี้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นอันมากก็เกิดสลดใ จ, จเจริญวิปัสนาบรรลุปัจเจกโพธิญาณเหมือนกันดูง่ายได้เกิดนะนะแต่อย่าลืมว่าคนคิดได้อย่างนี้มันไม่ใช่คนธรรมาดาคิดแล้วหยุดนะฮะคิดแล้วหยุดได้ที่จริงเราเราคิดได้แต่เราหยุดไม่ได้นเนี่เยอะฮะบางทีพวกสอน โทษของสุราสอนเล่นการบนันอนไรตระที่บายเก่งมากเลยแต่ตัวเองก็ดื่มสุราเห็นไหมว่าท่านคิดได้แล้วท่านหยุดได้หยุดความชั่วได้เป็นหลักการที่ถือว่าสําคัญที่สุดจริงๆเรารู้ทุกคนแหละคนแต่ละคนบัพ บ, บุญคุณโทษดได้รู้กันดังนั้นเพียงแต่ว่ามันกดเว้ไม่ได้อา่าั้นเด็ จนถึงก็มีสูตรว่าจงทําตามที่ฉันพูดจะทําตามที่ฉันทำเพราะที่ันทำไม่ได้เรื่องเลยแต่ที่ฉันพูดเนี่ยใช้ได้นะก็เป็นสูตร ท, ที่ที่ก็มีมาแต่โบราณดังนั้นท่านท่านทั้งห้าเนี่ยเราจะเห็นว่าประรบอะไรให้เราสังเกตอสีห้าทั้งหมดอลยข้อที่หนึ่งอธินาทานนะข้อที่สองกามสุเ ม, มชาจานข้อที่สามุสาวาทข้อที่สี่ปาณาติบาสข้อที่ห้าสุรา เปียนแต่สลับข้อไปหน่อยสลับข้อศีนไปหน่อยแต่นั้นเด็กเราจับได้เลยว่าเนี่ยคือคือคือเรื่องของศีนห้าประการซึ่งมันเกิดมาจากโลกภัทโทสะโมฆะแล้วถ้าเราสํารวมระวังถึงศีนห้าประการไปได้อย่างน้อยสักระดับสามนะฮะระดับสามเนี่ยไม่สนับสนุนส่งเสริมไม่ยกจ้องไม่อะไรล่ะเช่นก็รักทรัพมา เราไม่รักเองไม่ใช้คนอื่นรักไม่ยินดีในของที่เขารักรนะักได้มาตรงนี้ชักยุ่งนิดหน่อยชักยุ่งนิดหน่อยทํากลอมแกล้มนะฮ ะ, ะเห็นว่าอย่างสังคมไทยเราเนี่ค่านิยมที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือว่าใครมีของหนีภาษีใช้นี่ถือว่าเก่งมากๆนะเก่งมากๆที่บ้านเนี่ยมีเล่าเถื่อนเต็มใส่ตู้นี่มันสง่ามากเลยนะฮะภาคภูมิใจที่ได้ทําชั่ว แล้วก็มีเครื่องหมายของความชั่วอยู่ที่บ้า น, นโทรศัพท์ก็ห น, นีภาษีวิทยุสเตอริโอก็ห น, นีภาษีบางทีเผลอๆรถก็ยังหนีภาษีนะฮะเครื่องจีนในเครื่องไรคลามอะไรตร่อไรหนีภาษีเยอะแยะสังหามากเลยบางแห่งตั้งตั้งเป็นมิวสิตวาณ์เนนะี่ยนั่นคือบาปพอเห็นแล้วมันบาปมันเกิดทุกทีระลึกก็เห็นบาปนะฮะแต่าอาจใจมันก็อาจจะมืนไม่เห็นบาปแต่จริงๆสิ่ ง, งนั้นก็คือเครื่องหมายของบาป ตรงนี้ท่านท่านมองเห็นโทษบาประดับนี้ระดับสามเนี่ยระดับสามระดับสี่คือใจไม่ยินดีนะฮะเดินไปถึงระดับสี่คือใจไม่ยินดีในการฆ่าในการลักในการรฤฤฤฤับติผิดในการในการโพเทสในการดื่มสุราแล้วก็สํารวจระหว่างที่ตัวเองต่อมาพ ร, ระบาเจกพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ทั้งห้าพระองค์นะ ก็ได้เข้ามาที่เมืองพราราสีก็พบกับพระมากระสักพระกระสัก็เสด็จไปเฝ้านะฮะสอบถามโอ้ oh, นี่ท่านทั้งห้านี่ออกบวชตั้งแต่นุมน่มๆทำไมออกบวชเขาหนุมน่มๆทหาทำไมออกบวชซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะว่าโดยเปอร์เซนต์ที่เราพบมาในคำพิอูสาสนาตลอดถึงยุคพระพุทธเจ้าเองพระส่วนใหญ่เป็นคนหนุม่ม ภิกษุณีเองก็เป็นสาวนะไม่ไม่ใจแก่แก่มีไม่กี่ท่านนะเริ่มว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วภิกษุณีนางศิกฐ์ามานานางศิกฐ์ามานารามเดรีนี่ไม่ต้องห่วงสามเดรีก็คือเด็กนางศิกฐ์ามานาก็สาวสนะิบแปดนะฮะสิบแปดขึ้นไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอยีสิบต้องกบฏภิกษุณีก็เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวแล้วก็ ก็แปลกที่ว่าคนหนุ่มสาวคิดอย่างนี้ได้นะคิดอย่างนี้ได้คนหนุ่มตั้งนั้นนะฮะอายุน้อยๆตั้งนั้นก็คิดอย่างนี้ได้นนนนะดไดก็เป็นเรื่องที่อจจัศจรรยท่านก็สอบถามทําไมแต่เท้าทําไมาจึงบวดทำไมาจึงบวดทำไมจึงบวดก็ถามหมดตั้งห้ารูปท่านก็เล่าเป็นคาถานะฮะเล่าเป็นคาถาโดยใจความก็คืออย่างที่ว่ามาแล้วแต่รูปก็เล่าเห็นว่าตัวเหตุที่เกิดสลดใจจนถึงกับ บอกบวชนะท่านไม่เล่าว่าท่านเป็นพระพเจ้าพะพุทธเจ้าอะไรแล้วนะจนเวทให้เอาบวชก็คือสลดใจในความชั่วองแรกสลดใจในอจินทะธานที่กมวน้ําดื่มของเพื่อนองค์ที่สองสลดใจในจิตที่กําหนัดในปัญญาายอื่นนึกเมียวนึกด้วยจิตกําหนัดในปัญญาายอื่น องที่สามก็สลดใจในเรื่องมุสาวาทองค์ที่สี่ก็สลดใจในเรื่องมีส่วนมีส่วนสนับสนุนให้คนอื่นเขาทำปานาติบาตอง์ที่ห้าก็สลดใจในในการที่มีส่วนนะมีส่วนไม่จะทาเองนะจริงๆมีส่วนให้คนอื่นเ้าดื่มสุราไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าผลกระทบไม่นไม่ใช่อยู่ที่ตัวดื่มสุรา จะไปอยู่ที่เขาดื่มแล้วเขาเขาเกิดทะเลาะวิวาสแล้วก็ทุบตีกันหัวร่างข้างแตกเลิมมันหลายมันหลายเรื่องเลยแทนที่จะอยู่เฉพาะชีวิตอย่างเดียวปรากฏว่าสุราก็สุราโกหก ก, หก็โกหกมันไปกันยุ่งหมดเลยตัวเนี้เราเคยเค ย, เคยมีปัญหาถามถามในนักคำเจนตรีนะฮะถามสนามหลวงว่าศีลห้าเนี่ยสินสินทั้งห้าข้อในข้อไหนสําคัญที่สุดก็ปรากฏว่ากรรมการก็เถียงกันเองไะนะ บางพวกก็ถือว่าสุราเนี่ยสำคัญที่สุดบางพวกถือว่าปานาเนี่ยสาคัญที่สุดที่จริงเราไม่ต้องเถียงไงนะฮะเราไม่ต้องเถียงว่าสําคัญที่สุดก็คือปานาที่บาปเพราะว่าชีวิตนะันชีวิตรู้จ่าตันวางไว้แล้วเราจะเห็นว่าชีวิตมาไปอยู่หมดเลยค่าพ่อข้าแม่ก็เป็นนันตริกรรมเป็นนะฮะเรื่องข่าพระหานก็เป็นนันตระกามเรื่องชีวิตเป็นเรื่องใหญ่บาปมันก็มากนะ แต่สุราเนี่ยมันเพียงเป็นเพียงแต่เหตุได้ทำบาปอย่างอื่นไอ้ตัวบาปมันอยู่ที่อย่างอื่นเช่นว่าเมาสุราฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็บาปเพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่บาปเพราะดื่มสุรานะสุรามันเป็นปัจจัยแต่นั้นเองอันนี้เราเราบางทีก็ทมั่วๆไปเฉยๆท่าพระเจ้าท่านวางาท่านไวแล้วนะท่านวางาท่านเรียงลำดับหึงสองสาสไปแล้วเราไปยุ่งกันเองดังนั้น พระเจ้ากรุงพาราณสีนี่ท่านท่านฟังแล้วท่านเกิดประทับใจนะฮะก็เกิดเบื่อหน่ายเห็นตามหมดเลยเห็นตามหมดเพราะว่าภาพเหล่านี้ที่จริงท่านชัดบ่าเยอะนะฮะท่านมองเห็นชัดกว่าเยอะท่านอยู่ในรั้วในวงังมีพลเยะมีปัญหาเยอะนะต่างๆนี่แต่ละวันนี่มันก็มั่วมารุมันตุ้มเป็นอยนู่เสร็จแล้วก็นั่ง จเจริญสมาธิไม่ใช่วิปนะัสนาเนีเจริญสมาธิจเจริญสมาธิเพราะว่าวิปัสน า, าเป็นเรื่องกันข้างใหญ่ทำยากจเจริญสมาธิทําจิตให้สงบจนบรรลุฌานคือได้สมาธิบรรลุฌานไปตามลําดับโดยเจริญฌานก็เห็นอะไรภายในฌานนะฮะไม่เข้า ว, วังนะฮไม่เข้าไปในปราสาตรชาชวรรด พระเทวีก็เข้ามารู้ข่าวว่าไปคุยกับพระปฏิย์กับพระพุทธเจ้าคงยุ่งอยู่ละคงยุ่งอย่างเงี้ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคนยิ่งทําบาปยิ่งเกลียดพระเลยสมัยโบราณเนี่ยเราเห็นในชาติพวกนายพรา น, นเนี่ยเกลียดพระที่สุดเลยถ้าเห็นพระแล้วถือว่าเสนียดมงอัปมงคนเลยวันนั้นดักสัตว์ไม่ได้ฆ้าสัตว์ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้ถือว่าพระนี่สวยมากเลยเห็นพระแล้วรังเกียจ เพราะงั้นเราเรจึงพบว่านายพรานในข้าพร ะ, ะโกรธมากออกจากบ้านปั๊บไปเจอพระถวนโครง ม, มาวันหมดแล้ววันนี้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นคนที่ใจบาสนี้จะรังเกียจธรรมะพระเพราะว่าพวกนี้จะนำชาวบ้านออกไปอีทางหนึ่งนำชาวบ้านออกไปทางหนึ่งซึ่งเป็นการทาลายผลประโยชน์ของคนเหล่านั้นโดยอ้อม อาจารย์ที่เคยยกตัวอย่างว่าพระที่เก่งๆเทศสั่งสอนชาวบ้านเก่งๆให้ชาวบ้านงดเว้นจากการเล่นเบอร์เล่นหวยได้เนี่ยนะฮะก็เป็นบุญนีที่ช่วยชาวบ้านแต่อย่าลืมว่าเจ้ามือหวยจะฆ่าเอ า, านะฮะนั่นคือโลกมันเป็นอย่างงั้นเองตรงนี้เราเห็นได้ชัดเลยพระเทวีเอราชาไปคุยกับพระปฏเยกรรมพุทธจารย์เนี่ยคงยุ่งอยู่หละเพราะอะไรเพราะว่าภาพเดียวกันเนี่ยมันมองในคนเราพื้นฐาน ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าจุดเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าพื้นจิตเราคนละคนะระดับกันเราจะอมองเห็นแตกต่างกันไปได้หนังสือคนไทยชิ้นแผ่นดินมาหาคนแต่งไม่ได้สมัยโน้นนะฮะสมัยที่เราอยู่ที่ที่มังจีนน่ะ มันมันมันมันมันมีภาพสองคนพี่น้องนะฮะชื่อกุมภาวากับบุญศรีมันไปคนละทางเลยกุมภาวานั้นถือว่าชาวจีนเบียดเบียนคนไทยมากต้องไปฝึกวิทยายุ์มาสู้กันปวดแตกแล้พี่ชายกลายเป็นนักบวชคือชอบชอบชอบพระมากแต่พระผมจีวรแปลกเขาว่าสีพลนะสีพลมันสีไงไง สีไพรน้องหอมผ้าสีไพลแล้วก็ติดตามเป็นนักบวดก็เป็นเป็นนักบวดแล้วก็ทำงานด้วยกันนะฮะน้องชายล่ยค้าพี่ชาช่วยช่วยก <c oughs> ว, ว่าจีนนะฮะช่วยกว่าจีนแต่ยังอ่านไม่ไม่จบก็อ่าน ไ, ไปไปไปรวมๆร้อยหน้านะฮะอันนี้ก็เราเราเห็นภาพบ ม, มุมเดียวกันแต่เป็นการมองจากพื้นฐานที่ต่างกันจะ <c oughs> ถือว่าใครผิดใครถูกมันก็ไม่ได้ นะครูปวารตันก็มองในแง่ของเอกราชอธิปไตยความเป็นชาติแต่องค์น้นก็มองในแง่ของของกรรมของสังสารวัตคือไม่ต้องการจะเพิ่มบาปไม่ต้องการจะเพิ่มบาปจะทำไงก็จลดบาปมันก็ช่วยสังคมได้เลยแก่จะสังคมได้โดยการแต่วิธีการของพระนั้นอาจจะช้าหน่อยนะฮะอาจจะช้าหน่อยเพราะกลองเราจิตใจของคน แต่ว่าของชาวบ้านก็ฝ่าฝนทะยานดีเอกันนั่นก็คือเรื่องเดียวกันโดยในชัดว่ามองกันคนละมุมโดยพื้นฐานจริงๆลึกๆเนี่ยต้องการเหมือนกันพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเชิงวิทยาการแล้วก็ระดับเป้าหมายที่เราต้องการนะฮะว่าเราต้องการจริงๆนี่คืออะไร ก็ใกล้ๆ ค, คำสอนในศาสนาเทวนิยมเนี่ยที่จริงก็จุดสูงสุดเขาก็คืออยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของเขาก็ถือว่าสุดยอดเขาเราก็ต้องยอมรับศรัทธาเขามันะฮะแต่เรามันก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็เรียงลดหลั่กันลงไปเลือกเอาใครเลือกเอาใคสามารถจะไประดับได้ได้ไดก็ใช้ความพยายามเอาตรงนี้พระเทวีมาถึง ก็พยายามที่จะน้มนาวพระไท่พระราชานะให้ย้อนกลับเข้าสูหวงนะแต่พระราชาท่านแสดงถึงโทษของกามเพราะตอนตอนนั้นท่านได้สมาธินะฮะท่านได้สมาธิคือเราจะเห็นว่ากิตใจที่มีสมาธิเนี่ยมันมันจะข่มพวกกามฉันคือจใจที่เนี่ยวนึกจุดนึกเตื้อมหน้าของกามคุณและจะสัมผัส ต, ตัวสมาธิตัวสงบนะฮะตัวเย็นนะตัวสงบตัว อาการที่ปรกากฏชัดก็คือปิติสุขสมาธิพอได้สมาธิปิติสุขก็จะเด่นมากซึ่งชีวิตจริงๆนะชีวิตนอกสมาธินี่เราเราไม่มีทางรับผัดได้เลยไม่ใช่จะอยู่ในปราสาทราชวังครือหาดหมาสารคอนโดชั้นสูงยังไงก็ตามมันไม่มีทางเลยมันเป็นผลทางจิตเพราะเมื่อเมื่อท่านสัมผัสทั้งสองด้านนะฮะท่านสัมผัสทั้งสองด้านความสุขในราชสมบัติต้งมาสัมผัสมานานแล้ว แต่ามสุขในสมาธิท่านก็สําคัญท่านก็เห็นทั้งสงด้านเห็นทั้งสองด้านมันก็มีปัญญาเกิดวินิจฉัยเพราะว่าสมาธินั้นสร้างปัญญาขึ้นปัญญาเกิดขึ้นก็วินิจฉัยเทียบเคียงเทียบเคียงท่านก็เห็นชัดเจนนะว่าพวกกรรมคุณทั้งหลายนั้นมันเป็นหนามแหลมเป็นหนามมีความเสียดแทงมีทุกข์มากมีปัญหาต่างๆอีกมากมาย ก, ายกันก่อ มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจใครหมกมุ่นบุ่นวายอยู่ในกามทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นจะไปสู่นรกถ้าถ้ถาถ้าหมกมุ่นแล้วก็ตกนรกแน่นะฮะตอนนี้พัทยากับมองบุ่นกันอยู่นี่ยนะก็เราจะเห็นว่ามันมั น, ม, นมันต้องการจะเปิดอะไรต่างตทั้งทั้งวัดทั้งขึ้นตำรวจก็ไม่ยอมตอนนีเ้เมื่อเช้าในกรมมายาตำฝันก็ประกาศกัน มันแสดงถึงว่าจิตที่มีความต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยตัวเองสุขภาพพลานามัยนิเวศวิทยาไอะตรอะไรผมก็ดื่นฉันไม่เกี่ยวแตฉันเกี่ยวฉันได้เงินมากๆาปแต่นั่นเองนั้นจิตใจที่มุ่งประโยชน์เพื่อตดเพราะงั้นต ร, ตรงนี้เราก็กำลังจะเห็นในชัดนะครับว่าถ้าปล่อให้ไหลไปในกระแสนีในสุดมันก็ มีการยื้อแยกมีการต่อสู้มีการหมาการกันมันก็เป็นวงจรวงจรของโลกซึ่งก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระเตวีนีท่านพูดตัวกลางเลยพระเตวีท่านบอกว่าการนี้เป็นของมารอยมีความสุขมีความเพลิดเพลินดีงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็พัฒ น, นาไปแล้วใครมีความใส่ใจสนใจในการทั้งหลายก็จะไปสู่สุกติป้ยไปกันใหญ่เลยผู้คนละเรื่องเลยผู้คนละเรื่องเนี่ย พระราชาท่านมองเห็นเป็นทางนารกองหนึ่งมัมองไปทางสุขติตรงนี้ท่านท่านทัน้ทงหลายจะเห็นว่าตัวชาดกทั้งสองเรื่องนะอุทยาชาดกกับปานยญาชาดกตัวเอกก็ไม่อยู่สองคนนั่นเองนะฮะตัวเอกมีอสองคนอุทยาชาดกก็มีอุไทยพัทกับอุไทัยพัทราตรงนี้มันก็มีพระราชากับพระเทวี ซึ่งในชาสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพาเลยกันเรามองถึงถึงถึงเส้นทางการสร้างบา ร, รมีว่าแม้ในชาติที่เป็นเจ้าชายธิตะกับชาติที่เป็นพระนางพิมพาเยสุธราแล้วเนี่ยพระไทยต่างกันเยอะเพราะว่าพระนางพิมพานั้นท่านเป็นสาวกบารมีใหญ่ยความมาสร้างบารมีแค่เป็นพระสาวกเท่านั้นเองแต่พระุทธเจ้าท่านท่านสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนความคิดเจ้าชายธิตะกับพระนางพิมพาจึงต่างกันเยอะ นางบินพายัางมีแง่มีงอนอยังอะไรแต่ไรพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังก็ฟัดก็เฟียดนะพระพุทธเจ้าเสด็จก็ไม่ยอมเข้าเฝ้าต้องต้องวางองค์อยู่ในวงังถ้าอยากจะพบก็มาหาเอง <c oughs> โอ้เตะท่าเยอะเลยพรนะพุทธเจ้าก็ต้องไปต้องไปดูเขานะจวนพระสารีวงศ์พรมะมุกขลาน า, นาไปนะอ่ะเขาก็ว่าไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมนั่นก็คือก็คือพระไทยที่ต่างกัน พื้นฐานเราจะเห็นว่าสร้างบารมีมันห่างกันเนยอย่างย่งอย่างที่เคยเล่านะว่าบารมีสาวกบารมียานเนี่ยมันหนึ่งในสของการสร้างบารมีช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งใน4หมายความว่าถ้าสร้างสาวกบารมียานหนึ่งปีเนี่ยสร้างพุทธญาณก็ต้อง4ปีมันใช้เวลาถึ ง, ง, งสี่ปีจึงจะสร้างได้ไอ้พื้นฐานตัวเนี้ยทำให้เราเห็นว่าโลกเนี่ยใบเดียวกันนะจุดเดียวกันแล้วก็มองต่างกันเพราะฉะั้นตรงนี้เถียงกันเลยคนละภาคเลย พระเทวีบอกว่าเป็นทางแห่งสวรรค์ราชาบอกว่าทางแห่งอบายเลยตรงนรกเลยแต่แล้วก็สรงดุนะทรงตำหนิเธอถามว่าทําไมมองอย่างนั้นทำไมเห็นอย่า ง, งนี้การนี้เป็นของหน้าเบื่อนหน่ายเป็นทุกข์เหมือนหนาเหมือนเปลวเพลิ ง, เ, ลงเหมือนข อ, อกเหมือนอะไรแต่ไหนนะฮะเรียกวการมุ ป, ปมาอุมาอุมาแรงมากเลยอุมาแรงนั่นเป็นการมองในแง่ ถึงแง่ความจริงแล้วผลสุดท้ายท่านบอกว่ามีสุขมากนะฮะพระเทวีบอกมีสุขมากมากมีทุกนิดเดียวพระราชาบอกมีทุกมากมากมีสุขนิดเดียวเห็นไหมฮะมีสุขมากมากพระเทวีบอกมีสุขมากมมีทุกนิดเดียวมีทุกเล็กน้อยมีทุกเล็กน้อยแต่รันเด็กแตพระราชาบอกว่ามีมีทุกมากมากมีสุขเล็กน้อยอปัสราดารุฆาปการมาอิติวิญยาญปันนิโตตรงตรงนี้ บัณฑิตรู้ชัดนะฮะรู้ชัดตามความจริงว่ากรร ม, น, มนีมม้มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากก็อย่างอย่างอย่างเนี้ยคล้ายๆกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการกินเลี้ยงการรับประทานอาหารอะไรต่ไรเนี่ยโอ้มันเ ย, ยอะแยะเลยกรรมวิธีกว่าจะได้กินเนี่ยมันก็เยอะเลยขั้นขั้นตอนมันเยอะแล้วพอกินก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จละ หลังจากนั้นก็มีปัญหาต้องชำระล้างถ้ากินเลี้ยงกันหลายโต๊ะแล้วก็สาวันกลิ่นยังไม่หายเลยอเอกชยขยเกยยังคนไม่เสร็จเลยเราก็เราเห็นชัดนะฮะว่าทุกมันมากกว่าสุขกันเยอะเลยเพราะว่าอะไรก็ตามถ้าเราเทียบเคียงเปอร์เซ็นต์แล้วในสุขนิดเดียวจริงๆริงะสุขนิดหน่อยเพียงเล็กน้อยแต่ว่าคนก็พอใจในตัวตรงนั้นงพอใจในชั่วขณะหนึ่งของความสุขที่ตัวเองสัมผัสแม้ก็เป็นการมองจากจากเงามืด ก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรนในที่สุดประชาชท่านก็แสดงถึงโทษนะให้เห็นไปจากแจ้งข้อของกลางทั้งหลายที่จะต้องสละระหว่างในที่สุดแม้พระเทวีจะอ้อนวนอนยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับกลับเขาวังนะฮะแล้วก็เรียกข้าราชการพวกกรรมาตทั้งหลายมามอบหมายราชสมบัติให้ดูแล นะคล้ายๆกับอุทัยพัฒคล้ายๆกับพระเจ้าอุทัพัฒน์อมาราจสม บ, บัติเหมือนกันแล้วตัวเองก็ออกผนวดบำเพ็ญเพียรได้บรรลุฌานตามปกติเราไม่เคยพบนะพระโพธิสัตว์ได้บรรลุฌานเพราะว่าฌา น, นทำให้เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมดีในแง่สวยสุขในฐานะของพรหมแต่เสียในแง่ของการสร้างบารมีเพราะเราไม่มีโอกาสสร้างบารมี มันเป็นเป็นเป็นภพภูมิสเสวยผลของบุญบุญเยอะนะก็สะเสวยผลบุญแล้วก่อนจะจุติจากพรหมไม่รู้จิตมันจะเกิดเป็นอะไรนะพรหมอาจจะตกนรกเลยก็ได้นะพรหมอาจจะตกนรกไปเลยก็ได้เพราะงั้นการเกิดเป็นพรหมจึงเป็นการทำให้ศูญเสียโอกาสนี่มองจากสายที่จะไปนิพพานนะฮะ เราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงประลบถึงอลาตาบุตรทุกขตาบุตรที่ท่านตายไปก่อนพระพุทธเจ้าจะประกาศประโรมเทศนาท่านผู้หนึ่งก็ตายไปก่อนสิบห้าวันอีกหนึงก็ตายไปก่อนเจดวันก็สั่งว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นประสบความบดีจริงใช้คำว่าจิบหายนะฮะคนไทยเขาถือไอ้จีบหายที่จริงไม่จะหยาบนะฮะไม่ใช่คำหยาบอะไรภาษาบาลีนะภาษาบาลีที่จริงไม่จิบหาย ผ, าผ้าผ้าขาดเนี่ยเขาเรียกว่าจิบหายแล้ว ก็มันไม่หรอมันไม่ใช่หยาบนะคก็ไม่ใช่หยาบอะไรของของแตกของหักเนี่ยท่านก็ได้สืผายแล้วหายแล้วมันเป็นภาษาที่ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยนะฮะไม่ใช่ของภาษาของภาษามันไม่ใช่หยาบแต่นึกมันนึกไหมฮะรีคาร์ิการองการต่าชาติเป็นชาวอียิปต์ชื่อกาลี บุตรสดบุตรกาลีกาลีแป็ไงฮะแปลว่าดำแต่นั่นเองแปลว่าดําแต่นั้นเองไม่ใช่คําหยาบอะไรเล ย, เลยอู้แต่กาลีความของเรานี่แยกมากเลยกาลีของเราเราเป็นอัปมงคลที่จริงคนแขกเยอะชื่อกาลีเนี่ยชื่อราคาชื่อตันหาชื่อราคีชื่อกาลีนิยะเลยชื่อชื่อคนไม่มีอะไรฮนะตัวดำๆก็เรียกกาลีคํามันไม่หยาบแต่พอ ม, มาถึงออคนไทยมันก็หยาบนะครับเป็นเป็นคำหยาบไป ตัวอย่างทั้งหมดที่ท่านพระเจ้ารับสั่งยกความคิดของคนซึ่งไม่ได้มีาศาสดาสั่งสอนไม่มีธรรมะเผยแผ่แต่ว่ามีมโนธรรมสํานึกมีบา ร, รมีธรรมที่อยู่สะสมไว้ภายในใจเนี่ยสามารถจะข่มกิเลสที่ยังเกิดแล้วนะท่านทั้งหลายลองสังเกตกิเลสมันเกิดแล้วแล้วทําแล้วแล้วทาไปแล้วแล้วเรามีผลจากการกระทําแล้วด้วย นม่นเกิดแล้วจะหยุดได้ไปหยุดตรงนั้นไ่ได้แต่มามองถึงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นที่ไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้ามีธรรมะสั่งสอนมีครูบาอาจารย์ดูแลอบรมอยู่แต่พระองค์ไม่เจาะจงนะฮะไม่ได้พูดเจาะจงหรือพูดทั้งหมดภาพรว ม, ม, มก็ไม่น่าจะเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของกรรมวิจา การเหนียวนึกตืนึกเหล่านั้นนะฮะแม้ช่วขณะหนึ่งเห็นไม่กออกนะฮะ น, นึกนึกถึงนายโกการลิกที่แกชอบแกแกหิวข้าวมาหลายวันน่ะและแกไปเห็นหมาของนายโคบาลกินอาหาราผสมด้วยนมเลยแกอยากมากเลยแกหิวมากเลยโอยหมานี่ดีกว่าเราเราอดข้าวตั้งหลายวันแต่หมามันกินนี่ได้มันน่าเป็นหมา เป็นหมาดีกว่าแล้วก็ก็กินข้าวตัวเองต า, ายไอ้ใจที่มันชอบเป็นหมายังเกิดในคันหมาเลยเกิดในคันหมารือเรื่องโคสุกเทพบุตรอ่ะเรื่องโคสกเทพบุตรที่ต่อมาเป็นโคสกเกษฐีในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าเล่าย้อนไปประวัติอดีตให้ดูว่าทําไมแกจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่าว่าชาตินหนึ่งนี่เคยเคยเกิดเป็นหมามาแล้วก็พวกเหล่านี้มันไม่ใช่เล่นนะอย่างพระนางอนุลาเทวีภิกษุณีรูปแรกในเกาะลังกาฮนะ สมัยพุทธ ก, กาลยัยเป็นหมูอยู่เลย <c oughs> เป็นหมูวิ่งคุยดินจิ่ง ๆ, ๆ, ๆกับพระพุทธเจ้าเดินไปกับพรนะนรนหมูตัวนี้ต่อไปนจะเป็นคนสงคัญที่เกาะลังกาเป็นทิ่สุนิแต่สมัยพุทธ ก, กาลริงยังเป็นหมูอยู่อันนี้เป็นเป็นเรื่องแปลกเป็นเป็นประสบการณ์เขานะฮะแล้วมาเคยคุยกับเพื่อทำความหมูที่นครปฐม ก็ทําฟา ร, ร์มแต่จริงเ้านั่งสมาธินะฮะก็ฝึกสมาธิแล้วเขาบอกว่าเห็นคนเนี่ยกระโดดเข้าวถ้าเราเข้าไปในฟอกหมูนี่เข้าไปเข้าไปในตัวหมูในคลอดแกบอกว่าคือแกมองอย่างนี้คล้ายๆกระตัดทังสารวัตได้สั้นเข่าให้ความว่าเกิดเป็นหมูเกิดไม่นา น, น, นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายก็พบชาติมันก็สั้นเข้าปคิดแปลกเหมือนกันแต่ว่า แกก็เห็นนะฮะเห็นเห็นเห็นคนเข้าไปคนเข้าไปเข้าไปเยอะเข้าไปในค้องหมูปรเดี๋ยวหมูก็กรอดในจิ่เดือนก็คลอดใจเดือนก็คลอดแต่คนเข้าไปเยอะจิงเทสไม่รู้นะแต่ว่าเอามาว่าฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนะฟังไว้ก็ดีเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรในสุดท่านเหล่านี้เรฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้ว ก็พิจารณานะสตอบเป็นภัตนะบรรลุมรนคหมดก็เรียกว่าเป็นคนที่มีบารมีแล้วก็เลือกธรรมะ ส, สอดคลองเพราะกระตุ้นจิตสานึกเป็นภาพรวมกระตุ้นกระตุ้นจิตสานึกภาพรวมให้เอาสังเกตไม่ได้เจาะจงนะไม่ได้เจาะจงแต่ว่าคนนี้ฐานดีเนี่ยอะไรก็ได้นะถ้าก็จับเป็นประโยชน์ได้ เห็นใบไม้เห็นก้อนเมฆเห็นฝนตกด้วท่านท่านคิดเป็นประโยชน์ได้พวกนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรในในสุดก็ส่งสรุปชาดกว่าเพราะปะเจกับพุทธเจ้าไม่ต้องสรุปนะท่านนี้ผ่านแล้วไม่มีพบอะไรแล้วไม่ต้องถามว่าชาติพุทธกาลเป็นอะไรเพราะจริงๆไม่ได้เป็นอะไระท่านคนนี้ผ่านหมดแล้วพระประเจกพุทธตาตั้งห้าพระองค์ในนี้พ่านหมดแล้วเพราะฉันตัวละครที่เหลืออยู่ก็มีอยู่สอง นะคือพระเจ้าพาราสีกับพระเทวีที่เถียงเรื่องกราบนะดีไม่ดีเนี่ยก็พระเทวีก็มาเป็นก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เจ้าไม่เคยเรียกชื่อนะเรียกมารดาราหุนเรียกมารดาราหุนไม่เคยเรียกชื่อเลยเรียกมารดาราหุนแล้วก็พระเจ้าพุมธารสีก็มาเป็นโรตีเจ้า นั้นเราจะเห็นว่าพื้นฐานของแต่ละพานที่สร้างมานะบารมีธรรมของแต่ละคนที่สร้างมานั้นเห็นได้ชัดว่าไม่เคยบารมีเท่ากันการที่จะเห็นอะไรตรงตรงกันเลยเนี่ยฮะบารมีต้องต้องใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะบารมีต้องใกล้ชิดกันมากอย่างพระสารีบุตรกับพระโมกขลา น, านนะฮะท่านเห็นอะไรตรงกันหมดเลยเกิดเบื่อนหน่ายในการ ดำรงชีวิตสนุกสนานก็เกิดพร้อมกันแล้วก็เห็นว่าลัติสัญชัยไม่มีสาระก็เห็นพร้อมกันไปลุได้โดนงตาเห็นตามราะฟังคําสอนของอาชชิก็ไปด้วยกันเ น, นี่ยคือคือพวกบา ร, รมีบา ร, รมีก็สร้างมาตั้งมาใกล้เคียงกันมันจะเห็นร่วมกันได้ถ้าแนวปัจจุบันก็คืออะไรครก็คือทิฏฐิสามัญญาตาหมายความว่าความเห็นสม่ําเสมอกัน ซึ่งต้องอาศัยวุติภาวะโดยการพัฒนาปัญญาของคนขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามเป็นบุญในธรรมจะงมีแต่ท่านสาวชนหลายโดยตัว ก, กันทุกท่านทืน